วิธีให้ปริวาทภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปริวาทอย่างไรภิกษุรู้ที่สุดอาบัติรู้ที่สุดราตรีระลึกที่สุดอาบัติได้ระลึกที่สุดราตรีได <maybe> ้แน <iken S 2> ่ใจในที <investigation. S 2> ่สุดอาบัติแน่ใจในที่สุดราตรีสงพึงให้ปริวาทภิกษุไม่รู้ที่สุดอาบัติรู้ที่สุดราตรี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 ไม่แน่ใจในที่สุดอาบัตบางส่วนแน่ใจในบางส่วนแน่ใจในที่สุดราตรีสงพึงให้ปริวาสภิกษุทั้งหลายสงพึงให้ปริวาสอย่างนี้แลปริวาสจบ